อับ رح لي ص د ي ر ي ويصير لي أمري وحل العقدة من لساني يقهو قولي اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا عل وزدنا علما ربنا ظلمنا ن ف س ن ا و َ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ت ن ا من لدنك ر ح م วะฮีย์ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله ครับสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะต้อนรับอมลลอฮสัปดาห์หน้าขอรับวันนี้เราอ่านจะให้ให้หมดนะจะอ่านให้หมดสุระตุซุครุเริ่มตั้งแต่อายที่แปดสิบเอ็ดเป็นต้นไปจนกระทั่งจบสุรษนี้แล้วอัลฮัมดุลิลลาฮ์ชูกรตอลลอฮนะครับที่สุดท้ายเราก็นะครับ ได้อ่านสุรุตุซุครุฟจนถึงลายสุรห์นะครับก่อนที่จะได้เข้าสู่การทำอิบาดาห์ต่างๆในเดือนอรมดอนอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาอ่านกันเลยดีกว่านะครับแปดสิบเอ็ดเราอ่านแป8สิบเอ็ดปดสิบสองแปดสิบสามปสิบสี่ส่วนที่เหลือเราก็อธิบายให้หมดนะครับเราอ่านเฉพาะสี่อายัดสุรุตุซุครุฟ อายัดเปิดสิบเอ็ดครับสาธนะสองเก้าได้สองสี่เก้าสี่อุดท้าย أ า و ذ بالله من ا กลิ้น ل ค ل ลิลรำَา ن ِ وَلَدٌ فأنا َ أول-العابدين سبحان- رَبِّ ب ِสวรรค์ ت ละบ أ โลกพระเจ ا ل แหَ ر อาณาจักรที่ทุสมารถพ ท่าเรือมีขุดอยู่และเล่นอยู الذي في السم ์ و ละ ا ل أ ลก و ี้เขาเป็นผ ه ้ทร ا ل ู้ที อัลกุรอรินะนี่คือตอนจบของสุรุตุซุครุฟเป็นการสรุปเรื่องราวที่ผ่านมาตลอดทั้งสุรห์บางทีเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นสุรห์ว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรและสุดท้ายอัลกุรอานก็สรุปเอาไว้ในตอนท้ายอย่างสวยงามนะครับเรื่องราวในตอนต้นสุรห์ Pakai kan put kui cerca kaban damus syirikin, pemusyirikin. Tiapayamca syirik tiapayamca boleh. Allah miluk Allah nanti. Almalaiqat, almalaiqat. Almalaiqat, almalaiqat. Almalaiqat, almalaiqat. Almalaiqat, almalaiqat. Almalaiqat, almalaiqat. Almalaiqat, almalaiqat. Almalaiqat, almalaiqat. Almalaiqat, a พูดคุยโต้อตอบยืดยาวนะครับจนสุดท้ายในเมื่อคนเหล่านี้ในที่สุดก็ไม่เชื่อที่สุดก็ไม่เปลี่ยนความคิดของตัวเองไม่ยอมรับการเชิญชวนของท่านนาบีสุลต่านละนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะพูดคุยนะครับอัลอลอฮฺก็เลยบอกกับท่านนาบีของเราสุลต่านลมว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด i n k a n a l i r Rahmani waladun. t i a perpuu penjau, yang mempernam wa Al Rahman, maksud Allah Usung mempunyai meta. Jika perpuu penjau, nanti mempunyai anak yang i n k a n a l i r Rahmani waladun. Jika bermaksud, ini menunjukkan bahawa ini adalah benar. Tidak benar. Tetapi jika bermaksud bahawa ini adalah benar, Allah t e l a m e m u n a i anak yang Faana awalul abidin. คนแรกที่จะเคารพภักดีหรือว่าที่จะเชื่อที่จะยกย่องลูกของพระเจ้าลูกของ Allah ก็คือฉันนี่แหละในความเป็นจริงมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นท่านนาบีอันนี้เขาเรียกว่าฮุจจะตุนเป็นหลักฐานพยานเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าบุคคลที่ใกล้ชิดกับ Allah มากที่สุด บุคคลที่นับถือเชื่อฟังอัลลอฮฺแตลามากที่สุดมีใครที่จะเหนือไปกว่าคนที่เป็นรอสซลมีไหมในจำนวนมนุษย์ทั้งหมดใครที่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้ามากที่สุดไม่ใช่รัชซอลหรือถ้าอัลลอมีลูกจริงๆแล้วทำไมรัซูลจึงไม่ไม่บอกว่าอัลลอฮฺแตละามีลูกหรือไม่ไปเคารพพักดีหรือว่าไปบูชาลูกของพระเจ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ เพราะฉะนั้นผลสะท้อนกลับไปก็คือผลลัพธ์ก็คือว่าจริงๆแล้วอัลลอฮ์ไม่มีลูกไม่มีพระบุตรนะไม่มีไม่มีลูกไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกดังนั้นนะเนี่ยจะบอกว่ารอสูลเนี่ยเป็นผู้ที่เชื่อฟังอัลลอ์ที่สุดแล้วถ้าสมมติว่าอ่าอัลลอฮ์มีลูกจริงๆคนเป็นรอสูลนี่แหละที่จะต้อง เอารบักดีต่อลูกของพระเจ้าเป็นคนแรกแต่ว่ามันไม่มีไงอ่านี่คืออยากจะประกาศให้ชัดเจนตรงนี้อันนี้คือการตัคซีรของบรรดาอุลเม่าไอ้โลฟูโลฟูริ ضة ฮะดะละเบตตุฮูอัลลาฮัลิกถ้าสมมติว่ามีจริงๆริงฉันหมายถึงรอซูลเนี่ยอิบาดาห์ต่อลูกของพระเจ้าหรือว่าอิบาดาห์ต่อหล่อในเรื่องดังกล่าวบนฐานดังกล่าวแต่ในเมื่อมันไม่มีอ่า รอบสูลไม่ได้อิสติกบารหถึงว่าไม่ได้ตะกบบอร์ไม่ได้เยโซโอหังไม่ได้เป็นคนโอวดถ้าสมมุติว่ามีลูกจริงๆรัซูลก็สามารถก็ยอมรับแต่มันไม่มีอันนี้เป็นวิธีการที่อัลลอฮ์ซุบฮานาะอัลลอฮ์สอนท่านนบีให้พูดกับพวกมุชริกมและพระองค์ก็ตอบโต้เองด้วยนะครับซุบฮานะรับบิสสเมาติว์และอัลรอบบิลอาร์ช อัมมายุสิฟ oh, ูลสุบฮานะหมายถึงทรงบริสุทธิ์ย oh, ิ่งเป็นการตัส bih เราบอกแล้วทุกครั้งการตัส bih ก็คือการบอกปัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกจากอัลลอฮ์อะไรที่ไม่ดีเราต้องเอาออกอย่าไปเชื่อว่ามันมีอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานะอัลตะลาการที่เราบอกว่าอัลลอฮ์ตะลาามีลูกมนุษย์อ้างว่าละตะลาามีลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สมควร กับการเป็นพระเจ้ามันไม่ต่างจากมลุกถ้าสมมติว่าพระเจ้ามีลูกมันต่างจากมรุกตรงไหนสุบฮานะรับบิลสเมาติวและสุบฮานะรับบิุบฮานะรบบิมาติวลอริรบบิลอรชอัมมายิฟนคุาบางคนอธิบาว่าทำไมอัลลองต้องบอกว่าพระองค์เป็นรบบิมาต พระผู้เป็นเจ้าแห่ง้องฟ้าทั้งหลายพระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินและพระผู้เป็นเจ้าแห่งอารักอันยิ่งใหญ่รับิลอารชีไม่ถึงอารช์นะครับเป็นเพราะอะไรครับทําไมที่ต้องบอกว่าพระองค์เป็นผู้ทรงครอบครองสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างมากมายนะมีการอธิบายเหตุผลอฟ ف ي إضافة رب إ ل ล العرش م ม้ أنه أعظم الأجرام تمبيه على أن جميع المخلوقات تحت ملفوته وربوبيته فكيف يتخذ من خلقه ولد จ้าวอารชเนี่ยเป็นมักลุกใหญ่ที่สุดแล้วขนาดอารชเนี่ยยังอยู่ในการควบคุมของล l l a h แล้วพระองค์จะมีลูกไว้ทําไมพวกเรามีลูกไว้ทําไมครับ มาคลุกนี่มีลูกทําไมถามว่าคนเราที่เป็นมนุษย์นี่เรามีลูกเพราะอะไรเราอยากมีลูกเพราะอะไรเอาไว้ใช้ยามแก่เท้าเอาไว้ช่วยทําน่นทํานี่แล้วอรรถะรามีลูกไว้ทําไมถ้าเราจะมีลูกไม่มีเหตุผลไม่มีข้ออ้างไม่มีไม่มีเออเขาเรียกอะไรนะไม่มีเหตุจูงใจที่จะให้พระอรระรามจะมีลูกไว้ทําไมี่พระองค์ทรงเป็นรบทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องพึ่งใคร อ่านี่คือหนึ่งในจํานวนเหตุผลที่ว่าทําไมในอายัดนี้อัลตัลลาจึงบอกพระองค์เป็นรับอุซมาวะอัอ บ, บิลอา ร, รบอัลบิล อ, บบล อ, อ, ล อ, ชอาชอัลอาชอัลาชเนี่ยเป็นม خ ลุกที่ใหญ่ที่สุดตองฟ้านี่ใหญ่แล้วนะใช่ไหมครับตองฟ้านี่ไม่รู้กี่ชั้นฟ้าเอาไปเทียบกับกุาอีขอัลตัลลาก็เท่ากับวงกลมเล็กๆส่วนเล็กๆ ข, ของอันยิ่งใหญ่ของของทะเลของทะเลหรือว่า ของแผ่นฟ้าของอะไรนะของ เ, อเหมือนกับอยู่กลางสนามกูรซีกับอารัชก็ยังเทียบไม่ได้อารัชคือมัคลุกที่ใหญ่ที่สุดนแล้ ว, ลวพร์จำเป็นต้องมีอะไรอีกในเมื่อพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้เป็นเจ้าที่ทรงครอบครองสุภาอัลลอฮ์และอิลลฮอิลลัลลอฮ์ไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นที่พระองค์จำเป็นจะต้องอึงมัคลุกอื่นๆเพราะทุกมัคลุกนั้นอยู่ภายใต้ อันดูแลการควบคุมของพระองค์เพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับว่าสุบฮานะเราต้องบอกปัดเราต้องตระเสบะต้องตัดดีสต้องไม่เชื่อเอาสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเอาออกไปจากคุณลักษณะของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตุบฮานะรับบิสสมาวะตีวอลอาร์ดีรับบิลอารชีอัมมายาซฟูดไม่ว่าพวกมุสลินจะให้คุณลักษณะอะไรกับพระองค์ไม่ใช่เรื่องจริง พระองค์ไม่มีสิ่งต่างๆที่คนเหล่านั้นอ้างมานะครับไม่ใช่ของที่อ่เป็นความจริงแต่อย่างใดฟะ ذرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي يعادو ปล่อย ah um พวกเขาไปอถ้าสมมติว่าพวกเขายัางจะเชื่อแบบนั้นอยู่อีกบอกแล้วบอกหลักฐานแล้วบอกอุจยะต่างๆแล้ว ยังไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวไม่ยอมปรับความคิดผิดๆของตัวเองโอเคนั้นก็ฟาซาหราผมล่อยตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าก็แล้วแต่สุบฮานอัลลอฮ์ในฟาซาราผมยาคูดัดูปล่อยให้พวกเขาพูดไปอย่าไปซีเรียสเจ้าทําหน้าที่ของเจ้าแล้วโอ้ลกุฮัมมัดเจ้าบอกพวกเขาแล้วไม่มีสิ่งใดที่เจ้าจะต้องทําหน้าที่ยกเว้นเว้นแต่ว่าเจ้าได้ทําหน้าที่จนหมดแล้ว คือเจรจาจนไม่รู้จะเจรจาอย่างไงล่ะเหลือแต่จะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเจ้าหมดแล้วเพราะเนี่ยอุลามะบางท่านบอกว่านี่เป็นการตัสเลียเป็นการปลอบโยนท่านนบีไม่รู้สึกหนักอกหนักใจเพราะว่ามีความรู้สึกว่าพอพูดไปพูดไปแต่คนเหล่านี้ไม่ยอมเชื่อกลัวว่าจะเป็นความบกพร่อง ในการทําหน้าที่ของตัวเองอัสล่าก็เลยปลอบท่านอับดุลสลเลาะฮ์สัลลัมว่าไม่ใช่ความบกพร่องของเจ้าแล้วตอนนี้ที่พวกมุสลิมีไม่ยอมฟังเจ้าเนี่ยนะไม่ใช่ความบกพร่องของเจ้าแล้วมราทำมาเจ้าบอกหมดทุกอย่างแล้วหลังจากนี้ปล่อยพวกเขาไปอันดารุย่าู่ดูอย่ลาบุนะถ้าเขาจะพูดเล่นจะจะล้อเลียนจะอะไรล่อยไปั ح จะยุลาู و ย و م หุมุลลิฎียูอาดู จนกว่าพวกเขาจะได้เจอวันที่พวกเขาได้สัญญาเอาไว้บางทีอันนี้ก็น่าจะเป็นไม้ตายต่เมื่อดื้อมากเราก็อย่าไปใส่ใจจนเกินกำลังจนทำให้เกิดผลเสียเสียผลลับในทางที่ไม่ดีกับตัวเราเองเราบอกความจริงหนึ่งสองสามสี่้าอะไรที่เขาไม่เข้าใจเขาถามเรามาเราก็ตอบไป ตรงไปตรงมาหลังจากนั้นยังไม่ยอมอีกเหลือแต่ความดื้อรัน้นละโอเคงั้นเลือกเองไม่ยอมฟังโอเคไม่เป็นไรฉันทําหน้าที่ของฉันแล้วเพราะว่าถ้าสมมุติเราอินกับความดื้อรั้นของเขามากเกินไปเนี่ยบางทีผลร้ายมันจะเกิดขึ้นกับเราเองบางคนก็มีนะโอ้ไม่ยอมฟัง เ, เหมือนกับเวลาที่อไม่ถ้าอยากจะยกตัวอย่างก็คือเวลาที่เราสอนลูกสอนหลานหรือใครที่เป็นครู มีลูกศิษย์มีนักเกรยียนบางทีเราก็เครียดนะสอนแล้วไม่ยอมจําทํายังไงอะ่ะหมดทุกวิธีทางแล้วอาในเมื่อหมดทุกวิธีทางแล้วโอเคได้แต่ดูอาอย่างเดียวแล้วเสียละเปิดใจเข้าหน่อยบอกหมดแล้วนะเพราะว่าถ้าเราเครียดมากเกินไปบางทีเราเองนี่แหละจะที่จะมีมีผลร้ายเกิด ข, ขึ้นกับตัวเราเองอัลลอลาก็สอนท่านนาบีอย่างนี้ด้วยนะครับับอลล ف َ ذ َ ر ์ ه ُ م ْ يَخُوضُوا ล่นเกมจนกระ و ั่งจะได้ ل บ <ون> آ, ا, أ, أ, أ, ا ق و ال و ال <t> ُ و ا يَوْمَهُمُ ا ل งถูกป ي ي หารข้ و ن َ ف มนี้เป็นการเตือนสติของศา ل ดาผู้ส ل งสารให้ผ ل ้คน ل ี่ไม่เช ه ่อถือ ي รัท و ل ของพระองค์และเป็นการเตือนสติให้ผู้คนที่ไม่เชื่อถือศรัทธาขความนีาเต้า่อัาเป็นน้ที่ของร อ่าหน้าที่ของมุฮัมมัดจบแล้วต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของอลเราเราจะจัดการเองอ่าถ้าไม่ยอมไม่ยอมเชื่ออีกถ้าเชื่อไม่เป็นไรโอเควันนี้อาจจะไม่เชื่อวันหลังอาจจะเชื่อก็อเกินจบแต่ถ้าวันวันนี้ก็ไม่เชื่อวันหลังก็ไม่เชื่อจนกระทั่งตายไปก็ยังไม่เชื่อหน้าที่ของเจ้าหมดแลด้วมุฮัมมัดเหลือหน้าที่ของเราและ้ะเราจะจัดการพวกเขาเองไม่ต้องเป็นกว่วงอ่าเป็นการสรุปนะครับว้หัวแล้วีฟิสสม่เออีลาห์ ว่าในอาร์ดอิลัฮุนอัลลอฮผู้ทรงเป็นผ on ah, on ah ู้ถูกขารบพักดีสาหรับคนที่อยู่บนท้องฟ้าหมายถึงใครหมายถึงบรรดามาละอิกะมาละอิกะที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเคารพพักดีใครเคารพพักดีอัลลอฮว่าในอาร์ดอิลัฮุนบรรดาคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินเคารพพักดีใคร ที่เราจะต้องเคารพภักดีเคารพภักดี Allah เพราะฉะนั้น Allah เป็นทั้งคําว่าอิลลัฮุนตรงนี้เนี่ยหมายถึงมาบูดุนบิลฮักผู้ที่ถูกเคารพภักดีอย่างแท้จริงซึ่งผู้ที่ถูกเคารพภักดีอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบนท้องฟ้าหรือไม่ว่าจะเป็นบนแผ่นดินมีแต่ Allah เท่านั้น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 เข้าใจไหมครับบางทีเวลาที่เราอ่านภาษาไทยอย่างเดียวอาจจะมีความเข้าใจปิดตรงนี้นะ <No. S 1> พระองค์คือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าและเป็นพระเจ้าแห่งแผ่นดินวะฮุอัลฮะคีมุลอาลีมพระองค์ทรงเป็นผู้ปริชายานผู้ทรงเปลี่ยมไปด้วยฮิกถูกไหมทุกอย่างที่พระองค์ทำํำทุกอย่างที่พระองค์กําหนดมีความามีเหตุมีผล มีหิกมห์ที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังบางทีเราก็รู้เอกมห์เหล่านั้นบางทีเราก็ไม่รู้เอกมห์พระองค์ไม่ได้บอกเราอพระองค์ทำทุกอย่างด้วยความประนีตด้วยความปริชายานของพระองค์อัลอาลีมผู้ทรงรอบรู้ง่ายๆนะครับเป็นการเตลกีนภาษา阿拉伯เรียกว่าเตลกีนเราเคยได้ยินไหมเตลกีนนะคนสมัยก่อนนะว่าเวลาคนตายจะต้องอ่านเตลกีนอะไรคือเตลกีน ออเตลกินคืออะไรนี่พวกเราชอบพูดเตลกินตลกินรู้ล่ว่าตลกินคืออะไรเตลกีนก็คือสอนสอนแบบชัดๆสอนแบบเวลาที่บอกลักธิโนมาอัตะกุลและอิลาอิลล a l l a เวลาคนจะตายใหเราอ่านเตลกินด้วยกัมิีรชาาดะเข้าใจไหก็คือสอนใหคนตายอ่านอะไรอ่านตามละ أ ش ه อ و ا อ ل ه และอัชะดออันน์มูฮัมมัดอัลรอสูลลอฮแล้วคนคนใกล้ตายอ่ะให้อ่านตามเราอันนี้แหละที่เราเรียกว่าเตลกินส่วนอย่างอื่นก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะในภาษาอาหรับเนี่ยคําว่าเตลกินก็คือการสอนสอนแบบชักค่อยชักคําอ่ะอันเนี้ยเป็นการสอน สอนให้ท่านนาบีพูดกับพวกมุสลิมีว่าพูดอย่างนี้เลยพูดแบบชัดชัดให้พวกมุสลิมีได้ยินชัดชัดอย่าให้มีข้อสงสัยบอกพวกเขาเว่าโว ah ah ah ้นว้โออว้โว้โว้นว้โว้โว้โว้โ้โว้โว้โวอโว้โว้โว้โว้โ้ว้โว้โว้โว้โ้โว้โว้ว้โ้โว้โว้โว้โว้โก้โว้โว้โว้โว้โว้โว้โว้โวย้้้ ไม่มีช่องว่างเลยที่จะบอกว่าเอ้าบนท้องฟ้าพระเจ้าองค์หนึ่งบนแผ่นดินนี่มีพระเจ้าหลายองค์จะเคารพภักดีใครก็ได้ไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าพระเจ้าสําหรับท้องฟ้าคืออัลลอฮ์พระเจ้าสําหรับแผ่นดินก็คืออัลลอฮ์เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าบางบอก่าพระเจ้าที่อยู่บนท้องฟ้าคืออัลลอฮ์ส่วนพระเจ้าที่อยู่บนแผ่นดินเนี่ยมีผู้ช่วยผู้ช่วยพระเจ้าบนแผ่นดินมีหนึ่งมีสองมีสามไม่มีในอัครดอิสลามไม่มี ไม่มีหลายองค์ที่จะมาเป็นผู้ช่วยอัลลอฮ์ไม่มีอัลลอฮ์องเดียวบนท้องฟ้าอัลลอฮ์เป็นมักบูดบนแผ่นดินมนุษย์ก็ต้องอิบาดาห์อัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นมักบูดสําหรับชาวชาวโลกชาวทอ่วชาวผู้อยู่อาศัยบนแผ่นดินของพระองค์อันนี้เข้าใจแค่ยังคำว่าตะลกีนอ่ะตัลกีนก็คือสอนท่านนบีให้พูดอย่างนี้กับบรรดา穆ชริกมว่าแบาระคลที وتبارني أيقطرير ي ء منكنا و ت ب ا الذي له ملك ا ل س م ا ا ل أ ر ض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. อายะห์ที่52เนี่ยเป็นการทศบิษ์ทศบิษฐ์เป็นการบอกปัตสิ่งที่ไม่ดีออกจากอัลลอฮ์ในขณะที่อายะห์นี้ เป็นการชื่นชมเป็นการอิสบาดสิ่งดีๆสิ่งที่ถูกต้องกับอัลลอ์บอกปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็ยืนยันสิ่งที่ดีเข้ามาวะาะบารกักละอะที่ทรงประเสริฐยิง่งทรงมีบรารักกะยิง่งบรารักกก็คืออะไรครับสิ่งเล็กๆแต่มีความดีงามเยอะๆมากมายแน่นอนว่าอัลลอฮฺ تعالى นั้นทรงมีบรารักกะทรงมีความดีงาม มีความเอื้อเฟื้อมีความอารีมีความเมตตามีบุญคุณต่อพวกเราอย weakest, ่างล้นหลามวะทบารัค anyway> ัลลซีละฮูมุลกุสสมาวาทิวัลอัรอัลเลาะห่งเป็นผู้มีบรอกะหยิ่งนะครับซึ่งทรงเป็นผู้ควบคุมครอบครองทั้งบนท้องฟ้าชั้นฟ้าทั้งหลายและในแผ่นดิน ว่ามาน ي ن ه م ا ร่ามท้องฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮฺอัลลอฮฺสุรุตุลมุลกเขียเรานึกถึงส لك, ุรุตุลมุลกเท่านี้ครับสุรุตุลมุลกที่พูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮุ سبحانه และ تعالى ในเมื่ออัลลอลาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดบนท้องฟ้าบนแผ่นดินระหว่างทั้งหมดไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่มากไปกว่าอัลลอฮฺความดีงามทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮฺเราจะไปพึ่งสิ่งอื่นทําไมจะไปขอจากสิ่งอื่นทําไม เนี่ยเนี่ยตอนเข้าใจนะครับในเมื่อเรายอมรับแล้วอัลลอฮฺตาลาทรงครอบครองทุกอย่างถ้าเราจะไปหากนอื่นทําไมอีกไปขอจากอัลลอฮฺสิอิบะดัตจากอัลลอฮฺสิ وعنده علم موسى และอย่างพระองค์ณที่พระองค์นั้นพระองค์ทรงรู้ดีว่าเมื่อไรจะเกิดวันเกียร์มาไอ้มุสยาความรู้ว่าวันไหนจะเกิดวันเกียร์มา ไม่มีคนอื่นรู้มีแต่เราแต่ละเท่านั้นที่รู้ว่าอวันเกียมรติจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันสิ้นโลกจะอุบัติขึ้นวันไหนว่อิเลยฮิทูร์จอุลและอย่างอัลลอฮอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะต้องนำถูกนำกลับไปแล้วเมื่อกลับไปอย่างอัลลอฮ์แล้วในวันกียรติโวลายมลิคุลนทีนีย์ดอุนมินดูนีฮิชัฟฟะ บรรดาสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นเคารพพักดีนีไ่ไงน่ะมันสอดคล้องกับอายัดก่อนหน้านี้พวกผูชศริกินเนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่พวกเขากลับิริกด้วยการเคารพพักดีสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เพราะหวังว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในวันกียรติให้ความช่วยเหลือในวันกียรติ ไห้ชฟฟาอะในวันกียร์มัตไปเป็นทนายหรือไปเป็นคนช่วยตอนหน้าพวกตอนหน้าเขาหน่าตอนหน้าอัลลอฮ์ในวันกียร์มัตนี่คือความเชื่อของพวกมิชริกินนะไม่ได้นะ ไ, มไม่เชื่อนะอัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์มีเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแห่งความฟ้าแต่ว่าพวกเขาซึ่งอาศัยอยู่ในแผ่นดินเนี่ยกลับไปชีริกกับสิ่งอื่นเพราะหวังว่าสิ่งที่พวกเขาเคารพพักดีเนี่ยจะไปช่วยได้ในวันเกียร์มัต มาตร aliquay บอกว่าวะไม่ยัมลิคุณทีนาย่าดูนั้นดูนีชัฟา่งสิ่งที่พวกเขาหรือพักดี้สมัยพกสิบตัวที่อยู่รอบรอบกาบบาทที่พวกเขาวนเวียนกันเนี่ยไม่มีทางจะให้ความช่วยเหลือได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกนะพวกเขาไม่มีไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ความช่วยเหลือตอนนั้นอัลลอฮ์ในวันเกียรติะกาเพราะฉะนั้นอ่าบูชาไปสิกราบไหว้ไปสิไม่มีประโยชน์ คนเหล่านั้นจะไม่มีสิทธิ์ให้การแชฟะต่อห น, น้าอัลลอฮ์แม้ว่าคนเหล่านี้จะเคารพ บ, บูชาต้องการอะไรน่าแปลกไหมเวลาที่มนุษย์อยากจะได้ออมที่มันอยู่นอกเหนือสิทธิ์ที่ตัวเองมีอ่ะเริ่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะได้อันนี้แทนที่จะไปขอจา ก, กอัลลอฮ์ไปขอจากอะไรไปขอจากมักคโลกด้วยกันอันนี้บุกแปลกมากอุพ่าานัลลอหละทาไมต้องไปขอจากพวกนี้ ไม่อยากจะ ย, ย, ยกตัวอย่างเพราะบางทีมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องขำๆเป็นเรื่องไม่รู้ว่าทำได้ยังไงมันออกมาจากอัคดะที่ทก็เขาบางปัญญาละอิลาฮ์อิลอละห์นัขอได้จากทุกอย่างมนุษย์นี่ขอได้จากทุกอย่างเลยนะถ้าชิริกต่ออัาาาลลอฮุ سبحانه ละ تعالى เนี่ยไม่เหลืออะไรตอะไรสักอย่างหนึ่งในโลกนี้ยกเว้นขอได้หมดถ้าไม่มีเตวฮิดถ้ามนุษย์ไม่มีเตวฮด เขาสามารถที่จะชิริกได้กับทุกอย่างชิริกตั้งแต่สิ่งที่ใหญ่อย่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ชิริกไปบางทีชิริกกับความมืดชิริกกับแสงสวา่างมีหมดทุกประเภทชิริกบนโลกดนลกนี้มีทุกประเภทถ้าไม่มีเตาฮีทแค่อย่างเดียวนะมีชิริกได้ทุกประเภทลองดูสิมีชิริกกี่ประเภทบนโลกนลกนี้ นะบางพื้นที่บางทวีปเนี่ยมีเป็นพันพันชิริกเรียกไม่ถูกบางที่เรียกไม่ถูกมีเทพแห่งลมมีเทพแห่งฟ้ามีสุภาพนาลอและอิละฮิลลอเพราะอะไรถึงมีนูน่นมีนี่เยอะแยะไปหมดและบางทีนะมีเชื้อชาติด้วยอ้าวถ้าเชื้อชาตินี้ต่อเป็นเทพแบบนี้ถ้าเชื้อชาตินีม้มีมีเชื้อชาติหมดแล้วมันอยู่ด้วยกันไนดะ้ยังไงถ้าสมมุติว่าเอา เ, เทพของตะวันออกมาเจอเทพตะวันตกมันจะอยู่ด้วยกันยังไงตกลงของใครเทพจริงเทพปลอมนะฮะอัลลอฮฺาลาโควะอัลลอบิลละนี่คือชิริกนี่แหละครับคือชิริกไม่มีเต้าหิดมาหมดเลยนะฮะอัลลอฮฺเราลาควะอัลลอบิลละเพราะฉะนั้นเวลาที่อลัอลลอฮฺเรียกความมืดมิดของ j a h i l i y a เนี่ยอลัอลลอฮฺเรียกมันว่าอัลซ um ูลูมะความมืดมิดอันหลากหลายเป็นพหุพจน์ ชีริกนี่มีเยอะแต่ต่อฮีดมีแค่อันเดียวมีจากล ل م ا ت ไปสล่ น, นู ر อัลลอฮฺท่านทรงเอาผู้ศรัทธาออกจาก ظلم าตไปสู่แสงสว่างคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยแสดงว่าเขาออกจากความมืดมิดบางคนออกจากความมืดมิดของเทพตะวันออกบางคนออกจากความมืดมิดของเทพตะวันตกบางคนออกจากความมืดมิดของเทพบนดิน บางคนออกจากความมืดมิดของเทพบนฟ้าแล้วออกไปสู่ไหนไปสู่แสงสว่างอันเดียวนั่นก็คือแสงสว่างจากอัลลอฮ์ سبحانه และุต่าละพราะเราสังเกตไหมน่าแปลกมากเลยนะครับไปประเทศไหนประเทศไหนก็มีก็มีพระชจ้า ข, ของประเทศนะแล้วอันไหนอันจริงอันปลอมนี่แหละนะครับ س ุ ح ا ن ه และุต่ามีแต่อิสลามเท่านั้นที่บอกว่าพระผู้เป็นเจ้ามีองค์เดียวอ่นานำแล้วว่าจะไม่มีเชื้อชาติเป็นพระเจ้าทั้งของไม่ใช่แค่เชื้อชาติ ไม่มีขอบเขตทั้งท้องฟ้าและแผ่นดินด้วยซ้านะอย่าถ้าจะแยกระหว่างพระเจ้าของท้องฟ้ากับพระเจ้าของแผ่นดินยังไม่มีเลยในอิสลามไม่มีพระเจ้าของแผ่นดินก็อัลลอฮ์พระเจ้าของท้องฟ้าก็อัลลอฮ์ไม่ต้องแยกเนี่เข้าใจไหมนี่คืออัคีดะตุเตหิดอักรีดะที่ทำให้หัวใจของเรานั้นปลอดลงจนไม่รู้จะอธิบายยังไงล่ะนะไม่ต้องสลับซับซ้อนไม่ต้องขัดสน อัลลอฮฺอาชอาดุลลอฮอิลลฮฺอิลลัลลอฮจบจะไปอยู่ประเทศไหนก็ลาอิลาฮฺอิลลัลลอฮได้หมดเลยไม่ต้องพกพระเจ้าไปเองบางคนที่จะเดินทางต้องพกพระเจ้าไปนะพกพระเจ้าจากประเทศต้นทางไปที่พระเจ้าประเทศหลายทางเพราะประเทศปลายทางไม่มีพระเจ้าที่พวกเองนับถือตอนที่อยู่ประเทศต้นทางใช่เหรอในลองคิดดูนะครับสุบภานัลลอหละ ละอิละฮะอิลล allah เพราะฉะนั้นหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะให้ความช่วยเหลือในวันอัคยร็อคให้ได้ไหมให้ไม่ได้นะครับอิลล์มัน شهد ب ล ل ั ق وهم ي ع ل ม و ن อ่ามีการยกเว้นที่บอกว่าสิ่งต่างๆที่พวกมุชริกีนหรือว่าคนที่ปฏิเสธอคนที่ชิริกกับ allah ala, อัลลอฮ์ต้าลาเคารบพักดีเนี่ยไม่มีไม่มีความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ยกเว้นยกเว้นอะไรยกเว้น บันดาผู้คนซึ่งถูกเคารพพัก ด, ดีแต่ผู้คนเหล่านั้นเป็นผู้คนที่มีเตาฮิชดชหฮิดะบิลฮักหมายถึงปฏิญาณตนด้วยความถูกต้องก็คือกล่าวชาฮดไดนั่นเองเพราะเราเข้าใจว่าอย่างไงผมยกตัวอย่างสมมุติพวกมุชริกินในสังคมมักกะเนียกราบไหวบูชามาลาอิกะมาลาอิกะเนี่ยผิดตรงไหน มลายิกัดไม่ได้ผิดมลายิกัดเป็นบาปของ Allah ซูบานอัตอัลละมลายิกัดมีเต้าหิดไหมมลายิกัดมีเต้าหิดมลายิกัดไม่ได้ชีริกษ์กับ Allah คนที่ชีริกคือใครคนที่ชิริกก็คือมุชริกีนไปชีริกเอามลายิกัดมากราบไหวโดยที่มลายิกัดไม่ได้รู้เรื่องเพราะฉะนั้นในวันกิยามัดเนี่ยมลายิกัดเนี่ยจริงๆแล้วสามารถให้ชะฟาัดได้แต่ไม่ได้ให้ชะฟาัดกับพวกมุสริกีนนะให้ชะฟาัดกับคนอื่น หรือนบีอีสาอัลลอฮิสซลาムนบีอีสาเนี่ยถูกกราบไหวไหมบอโลกดลกนี้นี้นบีอีซานี่ถูกกราบไหวนบีอีสารู้เรื่องไหมกับการกราบไหวของบรรดาคนที่ไปกราบไหวบูชานบีอีสานบีอีสาไม่ได้เกี่ยวข้องคนเหล่านั้นทึกข์เอาเองไปกราบไหวนบีอีซาเองนบีอีสาไม่ได้เกี่ยวพอถึงวันกิยามัต์นบีอีสาก็จะให้ชะฟาอัดได้นะถึงแม ah ้ว่าจะถูกเทารพพักดีเทารบบูชาถูกยกเว้น น่ว่าสิ่งที่ถูกเขารบบูชาเพราะว่านบีอีซาเป็นผู้ที่มีเตาฮีต Allah ่ออัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل การยกเว้นตรงนี้หมายถึงว่ายกเว้นบรรดาคนที่มีเตาฮีนะไม่ได้หมายรวมถึงพวกรูปปั้นพวกสัตว์ต่างๆพวกเทพสมมุติต่างๆคนเหล่านี้ไม่ไม่สามารถให้ชะฟาอัตได้อธิบายแบบไหนดีห้พวกเราเข้าใจคือสิ่งที่มนุษย์เคารพ บ, บูชาเนี่ยมันมีหลากหลาย มีทั้งสิ่งที่แปลกปลอมมีทั้งบรรดานาบีมีทั้งมาละอิกัสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้ละตัลาบอกว่าจะไม่สามารถให้ชะาอั์ในวันพิ atom ได้ยกเว้นบรรดาผู้ที่ ش ه د ا บิลฮักสิ่งที่ถูกปรับไว้แต่ว่าเป็นบุคคลที่มีอัติไดตเตาทีด ย, ยอมรับในความเป็นเอกะของลัสุภานะตลาเช่นใครบ้างบอซาถูกเคารพไหมถูกเคารพ อภิษฎให้ช فاء ัดได้ไหมในวันกียรติให้ชฟ ا ء ัดได้แต่ไม่ได้ให้ชฟ ا ء ัดกับคนที่เคารพบูชาตัวเองนะให้ชฟ ا ء ัดกับคนอื่นมาละอิกัดก็ให้ช فاء ัดไหมในวันเกียรติให้ชฟ ا ء ัดได้ในวันกียรติแต่ไม่ได้ให้ชฟา ء ัดกับคนที่เคารพตัวเองนะให้กับคนอื่นและการชฟ ا ء ัตนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราแต่ละอนุญาตแล้วเท่านั้นเข้าใจไหมครับข้อยกเว้นตรงนี้อ่ตัวเราจะไม่เข้าใจอิลลามันชัยดับิลฮักที ว่าหฮมยาลมูนยกเว้นบรรดาคนที่ยอมรับเชื่อฟังในอัลลอฮฺต้าลาแม้ว่าพวกเขาจะถูกเคารพ บ, บูชาในโลกดุนยามันไม่ได้แปลวา่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนซ่อแหละเป็นคนที่มีอัครดา่ดีมากาไม่ไม่ยกตัวอย่างน บ, บีอีสาก็ได้ไม่ยกตัวอย่างมาลลัยกะด์ก็ได้สมมติในสมัยน บ, บีนูฮลอิสลามวดซูายาสยา นัสรห้ารูปปั้นที่ถูกเคารพพักดีเคารพ บ, บูชาในสมัยนบีนุิมเดิมๆคือใครครับห้ารูปปันนี่คือใครคือคนซ่อลแหละคนดีไม่ใช่คนชั่วเป็นคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์เป็นคนที่ปฏิบัติดีต่ออัลล์แต่สุดท้ายพอคนเหล่านี้เสียชีวิตไปคนรุ่นหลังมามาบูชากันเอง คนเหล่านี้เป็นคนที่มีความศรัท ธ, ธาแล้วถูกบูชาถ้าสมมุติเราบอกว่าคนที่ถูกบูชาไม่สามารถให้ฉ f อ r e h ได้ ก, ก็แสดงว่าถ้าเราเป็นคนดีสมมุตินะ้าเรานี้เป็นคนที่ตายบนกะริบะชาฮัดและอิลลัลอลอฮแล้วพอเราตายไปมีคนมากราบไหว้อุอบโบเราเอัลลอฮฺตะล ะ, ต, ละตัดสิทธิ์ของเราจากการให้ฉ fareh คนอื่นเลยไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวอัลลอฮฺตะล ะ, ละไม่ได้ตัดสิทธิ์การให้ฉ fareh ของท่านนาบีอีมาม เพราะคนอื่นกลับว่านะีอีสซาเข้าใจไหมครับให้เข้าใจตรงจุดนี้นะถ้าไม่เข้าใจมาถามทีหลังได้ <c oughs> ว่าจะไม่เข้าใจนี่นะเพราะาภาษาอาหรับเนี่ยมันมีมันก็นะมันต้องอธิบายหลายขั้นตอนกว่าจะเข้าใจนะครับเอ่จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ในการให้แชฟานนะครับยกเว้นบรรดาที่เป็นสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายแหละนะ ค, คนที่ไม่ได้เชื่อฟัง <c oughs> อัลลอฮ์อิลามัน شهيد بالحقتي وهم يعلمون คนที่ปฏิยานตน ยอมรับอ Allah ในขณะที่พวกเขานั้นมีความรู้หมายถึงว่าอันนี้เป็นหนึ่งในจํานวนเครื่องหมายที่อุลามะได้อธิบายว่าการปฏิญาณตนของเราเนี่ยเราต้องปฏิญาณตนด้วยความรู้ شهد بالحق وهم يعلمون เวลาที่เราบอกว่า شهد ألا إله إلا الله เนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าอะไรคืออิลลฮ์อิลล allah การที่เราปฏิญาณตนโดยที่เราไม่รู้ความหมาย ไม่รู้เนื้อหาของละอิลาฮ์อิลอละบางทีเราอาจจะยังไม่ใช่มุสลิมที่แท้จริงได้เข้าใจไหมครับปฏิญาณตนด้วยความรู้ถึงจะเป็นมุสลิมที่แท้จริงนั่นแหละที่เขาบอกว่าเงื่อนไขของกลริมาจุตเจวีเงื่อนไขของการชาดะละอิลาฮ์อิลอละเนี่ยอุลามะได้บอกว่ามีทั้งหมดเจ็ดประการบางคนเขาบอกว่าแปด علم ุนวยะคีนุนวอิคลา ว่าซดคุกะเมะมั่ับวันวกัยนั้นเเล้วเลวาบูลเละเอฮภิญญ์เมีความรู้ว่าความหมายของมันเเคอะไอว่ายกีนนต้งเชื่อมันยักีินไม่ได้ถูกบังคับนะว่าซดคุกต้องมีความจริงใจในการพูดพูดอย่างใจจริงไม่ใช่ว่าโกหกอยู่ข้างในพูดปลากข้างในโดยที่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังพูดโกหกเสยแสง้งไม่ได้เสยแสง้ง พูดความจริงนะส า, าหัด้วยความจริงมามฮับเป็นพูดมาด้วยความรักนะด้วยความเชิดชูต่ออัลลอฮฺต่ออลาจริงๆริงวางตียอเดนแล้วก็ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆทั้งหมดอัอลลอฮ์สั่งให้ทําอะไรยอมรับวอลกอบูลแล้วก็ปฏิบัติตามจริงๆนี่คือเงื่อนไขของกาลิมะอาชาฮัดอ่าแล้วก็มีการเพิ่มข้อที่แปดก็คือ วะ زيد س م ن ه ا الكفران منك بما سوى ا ل ل ه من ا ل ن د ا د قد ُ ل การที่แปดก็คือการที่เราจะต้องปฏิเสธชิริกทั้งหมดทั้งปวงสาหของเราถึงจะสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นมัน شهد ب ا ต้องรู้ในสิ่งที่ตัวเองกล่าวสาหออกไปถึงจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ กลับมาพูดถึงกรณีของพวกมุสลิมทั้งทั้งวลาล่ะอั น, นี้่วลาที่าถามว่าใครเป็นผู้สร้างพวกเขาพวกเขาก็จะตอบว่าอัลลอ์เป็นผูสน้สร้างนั่นแหละที่บอกว่าคนเหล่านี้เชื่อว่ามีอัลลอ์และเชื่อว่ามีอัลลอ์อยู่บนท้ออยู่บนฟ้าด้วยแตย่แต่ตัวเองไม่เข้ารบพักกีอัลลอ โตเองซึ่งส่งอาศัยอยู่บนแันดินไปเคารพพระดีอะไรก็ไม่รู้ราบาปวะอะไรก็ไม่รูป น, นั่นแผ่นดินนาองคุบไม่ได้ฝันน่ะอยู่ฝักบูดแล้วเหตุใดพกเขาถึงถูกเบี่ยงเบนออกจากความจริงในเมื่อรู้แล้วว่ามีอัลลอฮ์ทำไมถึงไม่เคารพพระดีอัลลอฮ์บางทีนะเรื่องการเชื่อว่ามีอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นฟิตราะของมนุษย์เลยเอัอลลอฮ์ตะลาใส่เข้าไปในฟิตราะสันดานตามธรรมชาติโดยดั้งเดิมของมนุษย์ แม้ว่าเขาจะเป็นมุชริกีนก็นตามสังเกตดูเวลาที่คนที่ไม่ไม่ได้เป็นมุสลิมเวลาที่เขามีปัญหาหนัก อ, อกแบบจนตรอกที่สุดแล้วเนี่ยวัดใจของเขาจะไปไหนไม่ได้เลยจะกลับไปหาอัลลอฮ์องเดียวเหมือนกันนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลใครฮะ <laughs> ไม่มีแล้วนจะจากอัลละฮ์มันจะกลับไปตรงนั้นเหมือนกัน سبحان อัลลอฮ์ ف ้ ن อัน ف ق อยู่ฝกูลแล้วถูกหลอกได้ยังไงไอเมื่อรู้แล้วว่ามีอล l l a h อยู่ฟิตรอห์ก็ยอมรับหัวใจก็ยอมรับแล้วว่ามีอล l l มีพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงอยู่อย่าถูกหลอกอีกเลยสิ่งเล็กๆพวกนี้ไม่ใช่ทิ้งไปซะไปที่ยวละล้วเดียวพออัลลอฮอลลอฮ์อัลลอฮลลอฮ์อั์อัลลออ อันนี้เนี่ยเป็นการบอกเล่าจากอัลลอฮฺต้าอลลว่าพระองค์รู้ว่าท่านนาบีซ ล, ลลละอัลซลลมนั้นได้ร้องเรียนกับพระองค์ว่าอย่างไรเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นสุร์มาจนกระทั่งจบสุร์เนี่ยพูดเจรจากับมุชรินทุกวิถีทางยกหลักฐานยกข้อโต้แย้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็สุดท้ายคนเหล่านี้ก็ไม่ฟัง จนกระทั่งท่านนาบีต้องร้องเรียนต่อ Allah Taala ว Rabbi, ่ายาอบบีอินเนห์อุลัยกูมุลลาญูมินูนยาอัลลอฮ์คนเหล่านี้ไม่ยอมศรัทธาจบแล้วอ <laughs> ท่านนาบีสุดท้ายยอมรับแล้วว่าคนเหล่านี้ไม่ยอมศรัทธาต่อเขาต่อต่อต่อต่อต่อต่อพระองค์นะไม่ยอมศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ยอมศรัทธาต่ออิสลาม ความรู้สึกเราเวลาที่เราฟังอายัดนี้เรารู้สึกอย่างไรครับท่านนาบีกว่าจะร้องเรียนต่อท่านต่อเพระองค์ลลอฮฺสุบานเอาแต่อะไรนี่แสดงว่าท่านต้องอ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายาเราเองคง ม, มีโอกาสได้พูดอายัด น, นี้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ทําหน้าที่อะไรเลยต้ <laughs> องทําหน้าที่ก่อนถึงจะพูดอย่างนี้ได้นะเราจะอ้างว่าคนไม่ศรัทธาต่อเราไม่ศรัทธาต่ อ, ออิสลาม ไม่เชื่อเราไม่ไม่หันมาเราทำหน้าที่หรื อ, อยังเรายังไม่ได้ทำหน้าที่เราพูดคำพูดยังไม่ได้แต่ท่านนาบีเนี่ยท่านท่านท่านทำหน้าที่ของท่านบริบูรณ์แล้วนะครับทุกอย่างทุกจังหวะชีวิตทุกวิถีทางท่านบอกหมดแล้วแต่สุดท้ายคนเหล่านี้ก็ยังไม่อยอมรับฟังท่านก็เลยร้องเรียนกับอัลละฮฺว่า Inna hum kaumul l a yaminun Inna ulaiq a u m u l l a yaminun Ya Allah mayam kaila, thang lang, thang tona, thang... Thuk ta, Allah ni m a y a m sata. t Saya b a w perlah, tangkap lang, tang tonton, a tang, t e m u a wacana. Akhirnya, tidak menerima d e n g a l l a h t a a l a i l a h jadi gembira. Al Nabi a s f a h a n h u m Wul a q Salam. n a i m e a m u a s a m a y r m s a t t d a k percaya m u h a m m a d a s f a h a n h u m ให้อภัยพวกเขาหรืออย่าไปสนใจพวกเขาผินหลังให้พวกเขาหลังจากนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วคำว่าฟัสฟะเนี่ยรวมถึงการให้อภัยการไม่สนใจและการให้อภัยอ่ะฟตหมายถึงอะไรที่เท่าคนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเนี่ยเราไม่สนใจปล่อยไปเราไม่เยแสคือไม่เอามาคิดอะ่ะ ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ของคนที่เป็นนบีไม่เจ็บใจแค้นไม่ผูกใจแค้นลองถามดูสิท่นานนบีนี้ถูกกระทาอะไรมากมายระหว่างที่ท่านอยู่ที่มักกะใช่ไหมครับถ้าจะเอามาเก็บเป็นความแค้นจะเอาไปล้างแค้นชำระแค้นเนี่ยโอ้โหชำระแค้นไม่หมดนะเยอะ วันที่ท่านกลับไปพิชิตมะกะเนี่ยเป็นยังไงครับถ้าท่านจะพวกมุชริกีนี่หดหัวหมดเลยนะกลับเข้าไปในบ้านของตัวเองเนี่ยกลัวว่าท่านนาบีส ล, ลสลุลต่านจะมาล้างแค้นแต่สุดท้ายท่านนาบีก็ประกาศในวันที่ท่านเข้าไปในมักะบอกว่าอันตูมุตตุลกาฉันอภัยให้กับพวกท่านหมดเลยเนี่ยฟัสฟาอัลห ม, มายถึงว่าไม่ต้องเอามาเจ็บใจแค้นหรอก ไม่ว่าพวกเขาจะด่าเจ้าว่าอย่างไงพวกเขาจะทําความเดือดร้อนจะปาหินจะปานน่นนี่นั่นเจ้าอย่างไรงอัลสฟาฮันหุไม่ใช่เฉพาะแค่ไม่เจ็บใจเจ็บแขนกับสิ่งที่เขากระทำวกุลสาลามให้ตอบกลับด้วยสิ่งที่ดีกว่ากุลสาลามให้พูดคําพูดที่ดีเขาจะพูดร้ายมาเราอย่าร้ายกลับให้พูดด้วยความสันติ พูดด้วยคำพูดที่เปี่ยมไปด้วยความสันติกับคนที่ทาร้ายเราอันนี้เป็นคุณธรรมระดับสูงนะเราทำได้ไมทำได้ไห ม, <c oughs> ไไหมอันนี้เป็นคุณธรรมนะมิถ้าเราดูเรื่องราวตั้งแต่ต้นสูรธรรมานะโอ้โหหนักหนักท่านนั้นเลยสิ่งที่พวกมุิกินพูดกับท่านนาบีนี่หนักหนักท่านนั้น แต่สุร่จบอย่างสวยงามมากอิสฟาฮันนะแม้ว่าเขาจะพูดเลวแค่ไหนสุดท้ายลบออกไปเถิดวะฮัมมัดอย่าไปจำมันเลยอย่าไปเจ็บใจแค้นกับคำพูดของพวกนี้เลยแล้ววักุลซาลามต้องพูดด้วยดีพูดอ่าพูดให้พูดด้วยดีกลับไปเลยๆเพราะว่ามันไม่เหมาะสมนะคนที่เป็นดาอีคนที่เป็นนบีจะพูดชั่วๆร้ายๆตอบโต้ด้วยสิ่งที่ไม่ดีกับคนที่ ทาอะไรกับตัวเอง น, นี่จําเอาไว้นี่ตอนจบของสุรชจบด้วยสันติฟาเซว์เย์แอลโมนคนเหล่านี้สักวันหนึ่งพวกเขาจะรู้เองอัลลอฮ์อันนี้อันนี้หนักสําหรับมุชริกินละในเมื่อนี่เป็นคําผูกนะวะ่าพวกเขาจะรู้เองเจ้าพูดดีๆไปพวกเขาจะรู้เองจะรู้เองว่าสักวันหนึ่งจะต้องเจอกับอะไรเราไม่จําเป็นต้องแรงเราไม่จําเป็นต้องกด ดันเราพูดของเราไปด้วยวาทะที่ดีวาทะที่สวยงามคาพูดที่ถูกต้องวันนี้เขาไม่รู้สักวันหนึ่งเขารู้เองพูดให้ชัดก็พอแนะพูดให้ถูกต้องให้ชัดทุกอย่างก็พอแล้วพูดใ ห, ให้ให้เขาได้เข้าใจจบแล้วหลังจากนี้เขาจะรู้เองนะถ้าสมมุติเขายังปฏิเสธตืดดึงอยู่เขาก็จะรู้เองว่าจุดจบของพวกเขาจะเป็นยังไงแต่เขาสุดท้ายนะถ้าสมมุติว่า ยังไม่ทันที่จะเสียชีวิตแต่เขาเข้าถึงสัจธรรมแล้วมีเป็นผู้ศรัทธาก่อนที่เขาจะตายก็ดีแสดงว่าเขารู้แล้วว่าความจริงเป็นอะไรอย่างไรแต่สักวันหนึ่งเขาจะต้องรู้อย่างแน่นอนไม่รู้ก่อนตายก็จะต้องรู้หลังจากตายนี่คือนี่คือข้อแท้จริงเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นเลยที่ท่านอามีจะต้องแข็งก้าวกระโกรมร้นนี้ไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องใช้วิธีจิตรบปปวดหิ้บบมไี่ต้องอัลฮักุมีรับบิก ข้อเท็จจริงสัจธรรมนั้นมาจากอาัลลอนะยย์อัลกุรอานพูดบอกนะสาธยายอบรด้วยดีหมดเลยกับไม่ชริกิตและสุดท้ายก็บอกว่าฟสฟะฟันออภไยให้เธอให้มีประโยชน์นะที่จะเอามาเจ็บแ้นเจ็บใจกับคนพวกนี้กุลสลามนิสัยของมุสลิมจะต้องเป็นคนจี่กุลสลามนะต้องพูดด้วยนะวาทะที่ดีคำพูดที่ดี ไม่ใช่คาพูดที่น่าเกลียดน่าชัง و ا ل ิ ي ล ذ ب ا ل ีร م ث ก ل บ ل ر د ب ا ل ล م ي ل บ ن ه كثير ب ก و ل ه أي لا ت ج ا ิบ ه م بمثل ما يخاطبونك من الكلام السيء يا بور ك ب و مشركين เหมือนที่เหมือนกับที่พวกเขาพูดกับเจ้าเข้าใจไหมเขาพูดร้ายมาเราไม่ต้องพูดร้ายกลับไปแต่ว่า ولكن ت ะ ل ف ه م و มฟ ح ع ن ه ลั แต่ให้พูดพยายามโน้มน้าวจิตใจพวกเขาไม่ว่าจะเป็นด้วยคําพูดไม่ว่าจะเป็นด้วยการแสดงออกเราต้องแสดงออกว่าเรานั้นหวังดีต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํำร้ายเราก็ตามอ๋อจบด้วยสวยงามมากนะ่าฝากเอาไว้ด้วยอายักสุดท้ายเนี่ยพวกเราต้องฟังแล้วก็เอาไปฝึกกับตัวเองทาอย่างไรให้มีนิสัยนี้นิสัยอาภัยให้กับคนอื่นนิสัยคําพูดใช้คําพูดที่ดีเวลาที่เราเจรจา ไม่วาจะเป็นคนที่ดีหรือไม่ดีกับเราก็ตานะครับอัลลอฮุตาอัลอาลัมนี่แหละนะจบท้ายสุรุตุซุครุฟฟังว่าพี่น้องคงจะได้ใช้นะครับอาจจะกลับไปทบทวนในเดือนอมาดอนก็ได้นะครับสวยงามมากนะครับเรื่องราวต่างๆที่อัาลลอฮฺได้สอนเรานะครับเรื่องราวของท่านน บ, บีมุฮัมมัดสุลลัลสัลลัมกับการดะวาบบรรดาคนที่เป็นมุชริกีนในสมัยของท่านเอามาใช้ประโยชน์ในบ้านในสมัยของเราได้นะครับ Allahu akbar Allah m um ak al nah, a ok nah, uh, ah, uh, l a k a l h a m d แค่นี้ก่อนนะครับอให้พวกเราได้ต้อนรับเดือน ر ม ض ا ن อย่างเต็มที่นะครับเนี่ยให้ถูกต้องว่าเราอยากจะเจอกับ ر ม ض ا ن เพื่ออะไรได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือน ر ม ض ا ن ด้วยความสุขกับการที่เราได้ทำอิบะดะได้ต่อได้เชิดชูได้ต้อนรับเดือนแห่งอัลกุรอานอามียาบบะลอาลามีอัลลอฮฺ تعالى อาลม อ ف قن الله أياكم لما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته